จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรทัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดด้วยเหตุผลต่างๆกันหลังท่านก็มาเพราะเป็นกิจวัตรที่ ที่ทำเป็นประจำเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆก็จะมาทำบุญเป็นปกติบางท่านก็มาด้วยกรณีพิเศษเป็นวันคล้ายวันเกิดบ้างเป็นวันคล้ายวันตายของผู้มีพระคุณบ้างบางท่านก็มาเนื่องจากเป็นช่วงเข้าพรรษา ได้ตั้งเจตทิษิฐานไว้ว่าจะทำบุญเป็นกรณีพิเศษก็ได้มาวัดได้มาวัดกันต่างคนต่างมีเหตุที่พาให้มาต่างกันแต่เป้าหมายที่เรามาวัดนี้เป็นเป้าหมายอันเดียวกันคือมาเพื่อมาทำนุบำรุงดูแลรักษาใจของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ไม่มีความทุกข์มา รบกวนจิตใจซึ่งเป็นการกระทำที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับใจของเราใจของเรานี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดความสุขความทุกข์ของใจเรานี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายของเราหลายร้อยเท่าถ้าใจเรามีความสุขแล้วถึงแม่ร่างกายจะทุก เพราะความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือความตายก็ดีจะไม่สามารถมาลบล้างความสุขของใจได้เลยส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าใจเราทุกข์แล้วไม่ว่าร่างกายเราจะดีขนาดไหนก็ตามจะหนุ่มจะสาวจะมีรูปร่างหน้าตาดีขนาดไหนก็ตาม มีความรู้ความสามารถเก่งกาจขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ใจได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเราดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจ ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้นอกจากใจเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วใจยังเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่สูญสลายเหมือนกับสิ่งอื่นในโลกนี้พวกเราไปดูแลรักษาสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปดูแลรักษาสิ่งที่จะต้องสูญสลายหมดไปจากเราไปเราจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน เพราะเราดูแลรักษาสิ่งที่ไม่ควรจะดูแลรักษานั่นเองสิ่งที่เราควรจะดูแลรักษาเรากับไม่ดูแลรักษากันก็นั่นก็คือใจของเราใจของเรานี้จะอยู่กับเราไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ยังอยู่กับเราใจของเรานี้เราสามารถทำให้มันสุขก็ได้ทำให้มันทุกข์ก็ได้ อยู่ที่ว่าเรารู้จักวิธีดูแลรักษาควบคุมใจของเราให้ให้สุขหรือให้ทุกข์อยู่ตรงนี้ถ้าใจเราสุขแล้วถึงแม้เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปในที่สุดเพราะชีวิตของเรานี้มันมีขอบมีเขต ร, ร่างกายของเรานี้มันมีอายุขมันไม่เป็นอาการลโกโคือมันไม่อยู่ไปตลอด มันเสื่อมไปตามการตามเวลาถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมหมดไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจของเราถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างดีด้วยบุญด้วยกุศลด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ใ, ใจของเราจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสุขเป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะ เกิดขึ้นกับใจของเราถ้าเราดูหมั่นดูแลรักษาใจของเราอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ใจนั้นไปกระทำไปคิดในสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมานี่คือสิ่งที่เราสามารถทำกันได้เพราะพ่อพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วพราสาวกทั้งหลายท่านก็ทำมาแล้ว ท่านดูแลรักษาใจของท่านอย่างเต็มที่จนใจของท่านนี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเกิดจากความตายก็ดีจะไม่มากระทบกระเทือนจิตใจของ ผู้ที่ได้ดูแลรักษาใจของตนได้ดีแล้วอย่างแน่นอนเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นต้นท่านไม่หวั่นไหวกับความแก่กับความเจ็บกับความตายกับการสูญเสียสิ่งต่างๆสูญเสียสิ่งที่รักไปพัดพลาดจากสิ่งที่รักไปท่านจะรู้สึกเฉยๆเป็นธรรมดาเพราะใจของท่านนั้น ไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองไม่ได้มีความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่กับตนไปตลอดเพราะมีปัญญามีแสงสว่างแห่งธรรมเรียกว่ามีดวงตาแห่งธรรมธรรมมาจากขปที่ทำให้เห็นถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับใจพวกเรานั้นต่างกันกับ พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องมีพวกเรายังไม่มีดวงตาแห่งธรรมยังไม่มีธรรมะจักขุยังมองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่ใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีสิ่งของต่างๆทั้งหลายก็ดี เรายังไม่เห็นว่ามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเรายังไม่ได้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเรายังไม่ได้เห็นว่ามันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขกับเราพวกเรายังเห็นตรงกันข้ามกันอยู่เรายังเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดร่างกายของเราจะอยู่กับเราไปตลอดสิ่งต่างๆทั้งหลายจะให้ความสุข แกเรามากกว่าให้ความทุกข์กับเรานี่เป็นความเห็นที่เรียกว่ากับตาละปัดเนื้อเห็นกลงจักเป็นดอกบัวเป็นความเห็นที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เลยหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเมื่อหลงแล้วเวลาสิ่งต่างๆเกิดมี การเป็นไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรากับความปรารถนาของเราเราก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่ได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้คอยดูแลรักษาใจของเรานั่นเองถ้าเรามันฟังเทศฟังธรรมอยู่้เรื่อยๆแล้วนำเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ มาพิจารณามาสอนตนอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่หลงเราจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเช่นพระพุทธเจ้าส อ, สอนว่าให้พิจารณาอยู่เสมอว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดภากจากสิ่งต่างๆที่เป็นที่รักที่จเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราหมั่นเตือนใจของเราอยู่เรื่อยๆแล้วความหลงที่จะยึดติดที่จะอยากให้เราอยู่ไปนานๆอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย มันก็จะถูกทำลายไปเมื่อความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพลาดจากกันและกันไม่มีอยู่ในใจของเราแล้วใจของเราก็จะสบายไม่หวั่นไหวกับการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากกันการที่เราจะมีธรรมะอย่างนี้ได้นั้นเราต้องเจริญอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่แล้วใจของเราก็จะถูกความหลงหลอกทันทีหลอกให้ยึดติดอย่าหลอกหลอกให้อยากอ ย, กอยู่ไปนานๆหลอกให้อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดังนั้นถ้าเราอยากจะดูแลรักษาใจของเราเราต้องพยายามสอนใจเราอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดตามความหลงของเรา ถ้าเราคิดว่าเรายังอยากจะอยู่ไปนานๆนี่ก็เป็นความหล่นแล้วเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมีเวลาไม่เท่ากันบางคนเกิดมาได้วันเดียวก็ตายไปก็มีบางคนก็อยู่ได้ถึงร้อยปีก็มีไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นเราต้องคิดเผื่อเอาไว้คิดเผื่อว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้ หรือพุงนี้เราอาจจะตายก็ได้ถ้าเราคิดเผื่อไว้แล้วเราจะไม่ยึดติดกับร่างกายของเราร่างกายจะเป็นอะไรไปเมื่อไรเราจะไม่หวั่นไหวจะเราไม่เราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเ ต, ตรียมใจไว้ก่อนพอเกิดอะไรขึ้นมาใจของเราจะรับไม่ได้ ทั้งๆ ท, ท, ที่ใจเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับคนขับกับรถยนต์นี้ก็เป็นคนละส่วนกันรถยนต์เป็นอะไรไปก็ไม่ได้ทำให้คนขับเป็นอะไรไปด้วยรถเสียก็ซ่อมซ่อมได้ก็ซ่อมไปถ้ามันพังก็ทิ้งมันไป คนขับก็ไม่เดือดร้อนอะไรใจของเรากับร่างกายก็เป็นอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เราไม่ได้คิดกันอย่างนี้เราคิดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นอันเดียวกันพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะใจถูกความหลงครอบงำอยู่ใจไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเป็นเครื่องคอยสอนใจเตือนใจ ไม่ให้หลงไม่ให้ยึดไม่ให้ติดนั่นเองนี่แหละคือคือเรื่องของเราทุกวันนี้ถ้ที่เราทุกกันก็ทุกข์เพราะความหลงของเราเองเราไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆไปอยากได้สิ่งต่างๆไปอยากมีสิ่งต่างๆพอเราไม่ได้ตามความอยากของเราเราก็เสียใจน้อย อ, อกน้อยใจขับแค้นใจโกรธแค้นขึ้นมา แล้วเราก็จะต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายต่อไปไปทำร้ายผู้อื่นบ้างแล้วบางทีก็กลับมาทำร้ายตัวเราเอง mm. เพื่อหนีความความผิดเช่นเวลาเราโกรธใครมากๆเราก็ไปฆ่าเขา mm. เมื่อเราฆ่าเขาแล้วเราก็กลัวจะถูกเขาจับไปฆ่า mm. เราก็เลยฆ่าตัวเราตามไปด้วย mm. เพื่อจะหนีความผิด นี่เป็นความคิดของคนโง่เขลาเบาปัญญาเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปในทางนั้นเราสามารถเดินไปในทางที่จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีแต่ความสบายอกสบายใจท่ามกลางสิ่งต่างๆทั้งหลายที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเราสามารถอยู่ได้แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ จะเจริญก็ตามหรือจะเสื่อมก็ตามจะมีภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็ตามใจของเรานี้จะสามารถอยู่ได้อย่างปกติถ้าเรามีธรรมะสอนใจอยู่ตลอดเวลาสอนไม่ให้ใจไปหลงไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละคือวิธีรักษาใจของเราการที่เราจะรักษาได้เราก็ต้องมีสติ เพราะถ้าเราไม่มีสติแล้วเราก็จะเผลอเราจะลืมพอลืมแล้วเราก็จะถูกความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจให้เราห่วงให้เราหวงให้เรากังวลกับสิ่งต่างๆที่เป็นของเราที่เราถือว่าเป็นของเราเช่นร่างกายของเราสามีภรรยาของเราลูกของเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของเราเลย เป็นสิ่งที่เราได้มาครอบครองไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทิ้งมันไปหรือมันต้องจากเราไปเราไม่เคยคิดกันส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่อยากจะคิดเรากลัวเพราะเราคิดแล้วจะทำให้เราหวั่นไหวเรากลัวเรื่องของการพัดพลากจากกันเรื่องของการสูญเสียแต่ถ้าเราไม่คิด เราก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นไปใหญ่เพราะเราจะไม่รู้จักการปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เมื่อสิ่งเกิดสิ่งต่างๆที่เรารักเราห่วงนั้นเกิดจะเป็นอะไรไปหรือต้องจากเราไปเราจะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งแต่ถ้าเราพยายามฝืนคิดแล้วก็คอยเตือนเราว่าความคิดนี้ไม่ได้ไปทําให้สิ่งต่างๆที่เราคิดถึงนั้น มันเป็นอะไรไปเราเพียงคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเท่านั้นเองเช่นคิดว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราคิดแล้วเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายทันทมีมันไม่ได้เป็นการสราบแช่งตัวเราเองทางทางโลกหรือชาวบ้านนี้เขาคิดว่าถ้าคิดเรื่องราวเหล่านี้แล้วเป็นอัปมงคลคิดแบบ ไม่สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนแต่ทางธรรมะนั้นท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่คิดเรื่องราวเหล่านี้เพราะเป็นปัญญาเป็นความฉลาดเป็นการป้องกันใจไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆทั้ ง, งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเป็นเหมือนกับการฉีดยาป้องกัน เช่นเวลามีโรคภัยต่างๆโรคระบาดโรคอหิวาตเป็นต้นเราก็จะต้องไปหาหมอให้เขาฉีดวัคซีนไว้ให้เพื่อจะได้มีภูมิป้อง ก, กันโรคอหิวาตที่กำลังระบาดพอเราฉีดแล้วเราก็สบายใจเวลาเรารับเชื้ออหิวาตเข้ามามันก็ไม่สามารถทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ เพราะร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันฉันใดการพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นเหมือนกับฉีดยาวัคซีนให้กับใจนั่นเองเวลาฉีดใหม่ๆมันก็จะรู้สึกเจ็บบ้างเป็นธรรมดาเหมือนกับเวลาเราไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแล้วระยะวันสองวันแรกก็จะมีอาการไข้ เพราะว่าร่างกายได้รับเชื้อเข้าไปบางส่วนแต่ไม่มากพอที่จะทำให้เกิดโรคเพียงแต่มีพอที่จะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาฉันไดการพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรากจากกันเวลาเราพิจารณาใหม่ๆจะรู้สึกไม่สบายใจพิจารณาไปแล้วใจของเราจะรู้สึกหดหู่แต่ถ้าเราพยายามฝืนพิจารณาไปเรื่อย แล้วพอเวลามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับใจเราเราจะเห็นความแตกต่างของใจเรา ท, าทันทีเราจะเห็นจะว่าใจของเราทําไมเฉยๆเมื่อก่อนเห็นคนนั้นคนนี้ตายแล้วเรารู้สึกหดหู่ใจเศร้าโศกเสียใจแต่พอเดี๋ยวนี้เห็นคนนั้นตายคนนี้ตายรู้สึกเฉยๆไม่ค่อยวุ่นวายใจเท่าไหร่รู้สึกเฉยๆนั่นเป็นเพราะว่าใจได้มีภูมิคุ้มกันแล้วไม่มีไม่ทุกข์กับ ความเป็นความตายของคนนั้นของคนนี้แล้วถ้าเราพิจารณาได้เรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของเราหรือของคนที่เรารักเพราะเรามีภูมิคุ้มกันนี่แหละคือวิธีรักษาใจของเราเราควรที่จะพยายามทำอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่า อย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามความหลงเพราะเมื่อเราปล่อยไปแล้วมันจะคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเมื่อได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆไม่มีใครไม่อยากให้สิ่งที่เราชอบเรารักจากเราไปกันนี่เป็นความคิดของความหลงแต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเราอยากจะได้อะไร ความปัญญานี้ก็จะมาถามตัวเราทันทีว่าไม่กลัวจะทุกข์หรือไม่กลัวว่าจะต้องพัดพากจากกันหรือพอมันคิดอย่างนี้แล้วมันก็หดเข้ามาแทนที่อยากจะได้มันก็เฉยเฉยสู้อย่าเอามาดีกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆยกเว้นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเอามาเพื่อดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของเราอย่างนี้เรายังต้องเอามาอยู่ เพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายอาศัยชีวิตของเรานี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะให้เต็มเปี่ยมก่อนถ้าเราได้บุญได้กุศลได้ธรรมะเต็มที่แล้วเราจะไม่กังวลเลยว่าถึงแม้เราจะขาดสิ่งจาเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเช่นเกิดการอดอยากขาดแคลนเข้ายากหมากแพง อาจจะไม่มีอาหารกินเป็นเป็นบางวันเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือไม่มียูกยามาดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะใจของเรานั้นยินดีที่จะให้ร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันได้ปล่อยวางร่างกายแล้วเพราะรู้แล้วว่าใบควบคุม บ, บังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไปไม่ได้เสมอ วันนี้เราอาจจะดูแลรักษาร่างกาได้มีอาหารให้มันกินได้มียารักษาโรคได้แต่มันจะมีวันหนึ่งที่อาหารมันก็ไม่อยากจะกินยามันก็ไม่รับเมื่อถึงเวลานั้นมันก็ไม่มีใครที่จะทำอะไรได้ถ้าใจเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วตอนนั้นเราจะมีความทรมานใจมากมีความทุกข์มากและอาจจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความทุกข์นี้ไปก็ได้ ทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้เรารักชีวิตเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้แต่พอเราต้องไปเจอความทุกข์ของร่างกายมากๆจนกระทั่งยาก็รักษาไม่ได้ก็จะทําให้ใจเรานี้เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะทนอยู่กับความทุกข์ของร่างกายก็เลยให้หมอช่วยฉีดยาให้ตัวเองหรือหาวิธีฆ่าตัวเองให้ตายไป แต่การฆ่าตัวตายแบบนี้ไม่ได้เป็นการหนีความทุกข์ไม่ได้ทำให้ความทุกข์นั้นดับไปเพราะความทุกข์นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์นี้มันอยู่ที่ใจความทรมานใจนี่อยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถึงแม้ฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์ทรมานใจมันก็กลับมีมากยิ่ขึ้นไปหญ่แทนที่จะแทนที่จะตายอย่างตายอย่างสงบตายอย่างสบายเราก็ต้องตายแบบ แบบตกนรกไปเพราะใจเรามีแต่ความทุกข์อย่างยิ่งมีความรุ่มร้อนจิตใจอย่างยิ่งแต่ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เสมออยู่เรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายไปใจของเราจะตั้งอยู่ในความสงบจะตายอย่างสงบเมื่อถ้ายังไปเกิดใหม่ก็จะไปไปเกิดในสุขคติ ไม่ต้องไปเกิดในทุกขติไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการดูแลรักษาใจของเราทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็จะมีความสุขสบายใจไม่หวาดกลัวไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆและเวลาที่เราต้องพัดพากจากกันเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหรือเวลาที่เราจะต้องตายไป เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายใจของเราจะเย็นสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือเป้าหมายของการดูแลรักษาใจของเราอยู่ที่การอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งในขณะที่อยู่และในขณะที่จะที่ตายจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลาเพราะเรามีใจมีธรรมะคอยคุ้มครองรักษา ป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราถ้าเราไม่มีธรรมะลำลัวแต่ไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้หาเงินหาทองมีมากจนกินใช้ไปอีสิบชาติก็ไม่หมดถึงเวลาเราจะตายถึงเวลาที่เราทุกเงินทองเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เงินทองไม่สามารถไปดับความทุกข์ในใจของเราได้ มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะดับได้และไม่มีใครที่จะสอนเราได้นอกจากตัวเราเองเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องนําออกไปสอนตัวเราตลอดเวลาอยาอ่าเผลอเวลาเห็นอะไรก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะปล่อยวางใจจะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามความอยากของตนแต่จะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความจริงของเขาเมื่อปล่อยได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญต่อการฟังเทศฟังธรรมต่อการเอาธรรมะมาคอยสั่งสอนจิตใจอยู่เรื่อยๆให้เตือนตนอยู่เรื่อยๆเช่น ที่เรียกว่ามรณานุสติก็คือการเตือนว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาคิดอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีความมีความกล้าหาญมีความสุขมีความเย็นมีความสบายไม่หวั่นไหวกับการเป็นกับความเป็นความตายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อดูแลรักษาใจ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 ด้วยอายุวั น, นสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ